ถึงจะเกิดในภพใดภูมิใดเนี่ยนะมันเอาที่โลกธรรมเป็นเครื่องวัดใช่ไหมอย่างนรกก็มากไปด้วยอะไรมากไปด้วยทุกนะนะมากไปด้วยทุกโลกธรรมมีแปดนะทำแปดที่ควรกำหนดรู้คือโลกธรรมแปดมันโลกธรรมแปดนี่จะเห็นชัดเจนก็ดูตามภพต่างๆนรกเนี่ยมากไปด้วยทุกอาพัสราพรมเนี่ยมากไปด้วยสุขหรืออะไรนะไปตับ ปริตตาภาพรหมปริตตาสุภาอปมานสุภาพรหมกลุ่มนี้เนี่ยมากไปด้วยความสุขมากไปด้วยความสุขอยู่ด้วยความสุขะสุขไม่ใช่สุ ข, ขากายะวิญญาณนะแต่หมายสุขทางมโนทวารถ้าเป็นมนุษย์ลนะ่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเนี่ยนะนะ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 เสียสิ่งเดียวกันบอกว่าได้เดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็ได้อยู่นั่นแหละนะมันก็ได้นี่เขาเรียกว่าลาบเสียเขาเรียกว่าเสื่อมลาบมันก็ได้ลาบเสื่อมลาบได้นะะยศก็เสื่อมยศเป็นยังไงเดี๋ยวก็อยู่แต่เพียงผู้เดียวเดี๋ยวก็เข้าสังคมใช่ไหมเดี๋ยวก็ว้าเวอยู่แต่เพียงผู้เดียวอีกพักหนึ่งก็พวกเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนงานเลี้ยงเนี่พวกเยอะพอเลี้ยงเสร็จก็เป็นไงอยู่คนเดียวต่อไป นะเดี๋ยวก็มียศคือยศก็คือพวกอ่ะนะเดี๋ยวก็มีพวกเยอะเดี๋ยวก็ไม่มีพวกเนี่ยนะเดี๋ยวก็กําร้าพวกอย่างเงี้ยก็สลับคระเเค้ า, ากันไปเพราะว่าโลกธรรม ท, ทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้แหละฮัลโลกธรรมได้จะให้ดีเนี่ยก็ไล่ทีระทวารทีละทวาร น, น, นะเดี๋ยวบางเ อ, อารากเสื่อมราบเนี่ยนะการเห็นของบางอย่างถือว่าได้ราบใช่ไหมการเห็นของบางคนถือว่าเสื่อมราบ การเห็นของบางคนบอกว่าน no tamam> ี่ยศนะบางคนก็บอกเห็นเนี่ยเสื่อมยศการเห็นบางอย่างเขาเรียกว่าคาสรรเสริญการเห็นบางอย่างเรียกว่านิมทาการเห็นบางอย่างเดี๋ยวก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเดี๋ยวก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์โลกกระทก็หมุนไปตามโลกโลกก็หมุนไปตามโลกกระทำทีนี้โลกกระทเหล่านี้เนี่ยนะยังมีแม้กระทั่งกับพระอรหันต์ทั้งหลายผู้กาหนดรู้โลกกระทำเสร็จแล้ว ผู้ทําปริญญาเสร็จแล้วแต่ก็ยังมีโลกธรรมเพราะโลกธรรมเป็นปริญญายธรรมไม่ใช่ธรรมที่ควรละแต่สิ่งที่ต้องละก็คือละอภิชาต่อโลกธรรมฝ่ายดีละโทมานต์ต่อโลกธรรมฝ่ายร้ายละอภิชาในลาบละอภิชาในยศละอภิชาในสรรเสริญละอภิชาในความสุขละโทมานต์ในความเสื่อมลาบละโทมานต์ในความเสื่อมยศละโทมานต์ใน คำนินทาและก็ละโทมนั์ในความทุกข์เนี่ยนะความทุกข์ท่านก็ละอภิชากะโทมนั์ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้ที่เจริญสติปัฏฐานเพราะผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานจะละอภิชาในลากในยศในสรรเสริญและความสุขผู้ที่เจริญสติปัฏฐานมากๆก็จะละโทมนต์ในเสื่อมรากเสื่อมยศในนินทาและ ความทุกข์ทั้งหลายก็จะละอภิชากับโทมนัตได้ <c oughs> อย่าลืมว่าโลกธรรม ท, ทั้งหลายนี้เป็นธรรม ท, ที่ที่ควรกําหนดรู้จริงๆนะเป็นธรรมที่ควรทําปริญญาอย่างที่เรานั่งกันอยู่นี่เนี่ยเราก็ชื่อว่าไร่ลาบตั้งเอาโลกธรรมมาวัดดูนะที่เรานั่งนั่งกันอยู่นี่ก็ได้โลกธรรมหนึ่ง <c oughs> ได้ราบใช่ไหมมีหนังสือมีข้าของเครื่องใช้มีอะไรทั้งหลายนี้ก็เรียกว่าเป็นราบ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 เมื่อไม่เที่ยงจากราบ ก, ก็กลายเป็นเสื่อมราบจากยศก็กลายเป็นเสื่อมยศจากคําพูดชื่นชมอยู่ดีๆกลายเป็นคําด่าจากความสุขดีๆก็กลายเป็นความทุกข์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปพันธมเหล่านี้เนี่ยนะค่าที่เป็นจริงของมันคือไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเทั้งแม้กระทั่งความสุขก็ยังไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา <c oughs> ส่วนทำก้าที่ควรกำหนดรู้ควรทำปริญญาก็คือสัตววาดก้าเนี่ยนะถ้าคิดให้ดีๆนะสัตววาดนี่หมายถึงภูมิเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายมีอยู่ก้าประเภทก้าประเภทก็อะไรบ้างพวกที่มีกายต่างกันสัญญาต่างกันก็เช่นพวกมนุษย์เทพบางพวกวิณิบาตบางพวกนะพวกวิณิบาตคือเปรตบางพวกกันนะ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 กลุ่มต่อไปก็เป็นพวกอาการสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญาณาสัญญายตนะในภพเหล่านี้ถ้าเกิดมาแล้วก็มีอะไรชาติชราและมรณะสัตตวานั้นตระกาวเน้นมาที่ปฏิสนธิเพราธ์เมื่อมีการเกิดสิ่งที่ติดตามมาก็คือความแก่และความตายพันธในสัตว์ทั้งเก้าเนี่ยจะเกิดในภพใดภูมิใดก็ไม่ได้พ้นจาก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 เสื่อมมากเสื่อมน้อยแต่ว่าเกิดเบื้องต้นเหมือนกันแล้วก็ตายเป็นที่สุดเหมือนกันนั้นเราก็นักโทษประหารเสมอกันใครจะเป็นรายต่อไปแค่นั้นเองนะนะก็แล้วแต่นะเพราะบางคนก็ถูกทุบก่อนใช่ไหมแล้วแต่มันก็เลือกเขาจะเลือกทุบเอานะบางคนถูกทุบที่หัวอย่างเงี้ยบางคนก็เลือกทุบที่เขา่าบางคนก็ถูกโบยที่หลังอย่างเงี้ยนะบางพวกก็ทรัพย์ที่แขนก็เอาไม่ค่อยแน่นอนบางพวกก็จิ้นตาซะก่อนอะไรเงี้ย บางพวกก็ทิมไปที่หูบางพวกก็เอาสัฟันรวนหมดเลยอย่างเงี้ยนะแล้วแต่ว่าจะเลือกเอาตรงไหนบางพวกก็เจอถลกหนังก่อนใครก็บางทีก็ถูกเสียบที่คออย่างเงี้ยแต่ว่าไปเยี่ยมโยมเมื่อคืนบักโยมปวดไหมเขาบอกว่าะคือเป็นเป็นโรคตออบปอดปอดเนี่ยนะปอดมันเสียหายเมื่อปอดเสียหายเหลือเหลือปริมาณที่ดีอยู่นิดเดียว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 กลาเป็นว่าต้องระบายน้ําออกทีนี้พอระบายไประดับหนึ่งท่อมันก็อุดตันเป็นต้นเนี่ยไหก็ต้องเปลี่ยนท่อใหม่โยมก็บอกว่าไอตอนเอาออกนี่มันไม่เท่าไรหรอกมันก็ปวดบ้างนะมันก็ปึ๊ดเดียวก็ออกแล้วใช่ไหมให้ตอนเอาเข้านี่สิแย่เข้าไปสัมผัสตั้งแต่ไหนหนังสัมผัสเนื้อสัมผัสเอ็นสัมผัสจนโน่นแหละยัดยัดเข้าไปเนี่ยนะปวดมากเนี่ยนะ โอ้บอกว่าปวดจนสุดซึ้งเลยเหมือนกันอุ้ยนี่อย่างเบาไม่เท่าไรหรอกถ้าเทียบกับนรกนั่นน่ะคือถ้าเทียบกับพวกเดราชานทั้งหลายเนี่ยนี้ไม่หนักมาสาหัสเท่าไร่นะคือศัตว์ที่เกิดมาแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยเมื่อเป็นนักโทษมันแล้วแต่จะเลือกถูกทิมถูกแทงใช่ไหมถ้าเป็นโบราณหน่อยก็บอกโอ๊ยคนนั้นใจจืดใจดํามาเอาหอกมาทิมเอาอะไรมาทิมแต่สมัยนี้กิริยาอาการที่ถูกทิมเหมือนเดิมแต่ว่าเหตุผลในการถูกแทงนั้น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 มันไม่ตายเนี่ยระบบทางเดินอาหารมีปัญหาตลอดกลืนอะไรไม่ได้ก็ต้องให้อาหารทางสายยางให้สายยางก็เสียบไปที่ถวาวรจมูกไน่ร้อยตั้งแจมูกเข้าไปโอ้ยตอนแทงเนี่ยน้ำตาร่วงไปหมดเลยกลืนน้ำลายก็ก็คือแผลสดดีๆเนี่ยนะเป็นแผลตลอดทางเดินอาหารดูจะเป็นยังไงก็นี่แหละกายนี้ก็เป็นเช่นนี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งโรค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 เป็นกลุ่มพวกที่สงสารตัวเองแล้วปรารถนาให้ที่จะให้ตัวเองได้พ้นทุกข์ผู้ที่ปรารถนามักผลนิพพานเนี่ยพวกนี้สกัดโถเครียกว่าเห็นแก่ประโยชน์กับของตนเท่า น, นี่คือประโยชน์ของตนอย่างแท้จริงอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นหัวหน้าท่านเห็นแก่ประโยชน์ตนอันนี้ท่านก็ปฏิบัติเพื่อความทุกข์เมื่อท่านพ้นทุกข์แล้วท่านก็ให้ผู้อื่นพ้นด้วยท่านก็บอกวิธีให้บอกวิธีพิจารณาอย่างนี้นะ เอาสัตว์วก้าวมาทําปริญญาแล้วท่านจะพ้นทุกข์เอามาพิจารณาเถอะถึงจะเกิดในภพใดภูมิใดก็เป็นไปกับชาติชราและมรณะหลายภพด้วยกันยังบวกโสกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตเช่นมนุษย์เป็นต้นเดาชะฉานเป็นต้นก็ยังบวกโสกปริเทวะทุกขโทมนณตและอุปายาตเนี่ยนยแล้วก็บวกอย่างอื่นเข้ามาอีกเยอะแยะไปหมดแต่โดยมากก็บวกด้วยราคะโทสะโมหะ เราร้อนทางร่างกายและจิตใจเนี่ยนะถูกกิเลสเล่นงานครอบงำย่ายีร่างกายทั้งหลายวิบากและกรรมชรุษทั้งหลายเป็นไปกับชรา ม, มรณะเป็นไปกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นไปกับความลําบากความอดอยากหิวโหยสารภาพที่มันจะเกิดขณะเดียวกันกิเลสภายในก็ย่ยํายีจิตใจซะจรเพราะเพราะอะไรทําไมกิเลสจึงเล่นงานขนาดนั้นก็เพราะเขาเหล่านั้นขาดมงคลธรรม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 ตั้งตั้งจิตเอาไว้ผิดอีกต่างหากเรียกว่ามิจฉาปณิธิเนี่ยนะพหูสูตรฟังพระไตรปิฎกก็บอกมันยก่กเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยไม่ยอมเป็นพหูสูตรเนี่ยนะการเรียนการท่องการจำอ่ะนะก็ไม่มีก็ทําลายตัวเองโดยประการต่างๆมีพ่อมีแม่ก็คนอื่นเข้าไว้กราบไว้ไหายไว้บูชาเจ้านี้ก็มีไว้ด่าเนี่ยนะด่าพ่อด่าแม่พ่อแ ม, อแ ม, อแม่เป็นที่ขูดที่ริด ก็เลยไปทำบาปทำกรรมกับพ่อกับแม่พอทำบาปทำกรรมเขามีครอบครัวก็ไม่เลี้ยงดูครอบครัวเป็นต้นวันนี้ก็ช่างแต่อัปมมงคลให้แก่ตัวเองให้ทานก็ไม่ให้กลายเป็นคนทุจริต ก, กรรมอีกเฉนั้นหลายเรื่องนี้คนที่มีความทุกข์ในโลกโดยมากสาวไปเถอะเกิดจากอัปมมงคลซ ะ, ซะส่วนใหญ่แต่ผู้ที่พ้นทุกข์ผู้ที่บรรลุอริยคุณทั้งหลายบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่มองมีมงคล ปฏิบัติตามมงคลผู้ที่ปฏิบัติตามมงคลสมบูรณ์คือพระอรหันต์ส่วนบุคคลที่เหลือก็มีมงคลตามสมควรแก่ฐานะเนี่ยตามสมควรแก่แก่เหตุว่างั้น